จเจริญพรเข้าพรรษาได้สมาทานอะไรกันบ้างหรือเปล่า <laughs> เขารณรงค์ใช่ไหมเข้าพรรษาให้งดเหล้าแต่ดูหน้าเราแล้วคงไม่ได้กินเหล้าเป็นปกติเนาะงั้นต้องมีอย่างอื่น <laughs> ไม่งั้นพรรษานี่เราเราไม่ได้พัฒนาอะไรมากขึ้น บางคนมีมาสมท า, านบอกว่าเขาของดช้อปปิ้งหมายถึงงดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็ดีนะดีเรามีอย่างอื่นั้ยยังทันนะยังทัน สมาทานกับตัวเองให้ดูว่าเราบกพร่องตรงไหนเราบกพร่องตรงไหนบ้างเราจะพัฒนาตัวเองในสามเดือนนี้อาศัยเวลาที่เป็นเวลาที่พระภิกษุท่านอยู่จำพรรษาในวัดท่านพัฒนาตัวเองท่านบวชและเรียนพัฒนาจิตใจของท่านเราก็อาศัยบรรยากาศเนียกระตุ้นตัวเองให้พัฒนาตัวเองขึ้นมา ถ้านึกไม่ออกก็ลองถามคนข้างๆคนที่เคยอยู่ใกล้ๆเราคนนั่งเดียวๆเล่นยากคนข้างๆหมายถึงว่าคนที่บ้านหรือคนที่ทำงานดูรู้สิว่าฉันควรจะปรับปรุงข้อไหนบ้างเรียกว่าเปิดใจรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราเองว่าเวลาคนอื่นก็มองเราก็มองยังไง แล้วเราถ้ามันเป็นข้ อ, ขอมูลที่ดีจะปลื้มใจก็ได้ถ้ามันไม่ดีจะเสียใจก็ได้แต่เสียใจแล้วก็ต้องมีสติรู้ตัวแล้วก็ลองปรับปรุงตัวเอง <c oughs> เพราะสิ่งนั้นเป็นจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เขาก็สะท้อนออกมา <c oughs> ไม่ใช่ไปต่อว่าผู้วิจารณ์เราเหมือนไปส่องกระจกแล้วเห็น หน้าไม่ดีอย่าไปทุบ ก, กระจกควรจะล้างหน้าตัวเองซะในช่วงข้าบพรรษาเนี่ยก็มีใครไปก่อนขอ้าบพรรษาหนึ่งวันเป็นวันสำคัญอวันหนึ่งรู้ไหมรู้นะวันวันอะไรอาสาะหาวันอาสาะหาเนี่ยได้ยินว่าโยมก็ไปวัดไปเวียนเทียนกันเยอะ ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นวันอาสาฬหะเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญนะก็คือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเนื้อหาก็คือบอกทางผิดให้กับพระปัญจวัคคีทางที่ผิดสำหรับบรรปะชิต แต่พวกเราก็ถือว่าเป็นบรรพชิตได้ในแง่ที่ว่าบรรพชิตคือผู้ที่เห็นภัยเห็นภัยในวตาสงสารแล้วก็หาทางที่จะออกไปจากวตาสงสารนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรเสพมีสองอย่างโดยศัพท์บาลีเขาเรียกว่าการมสุขคาริการุโยกกับอัตตกิลมาทานุโยกการมุสุขขริการุโยกก็คือปล่อยตัวปล่อยใจ ไปตามตัณหาความอยากในกามทั้งห้าอย่างเงี้ยบรประชิตไม่ควรเสพปล่อยใจไปตามกิเลสท่านบอกว่าอันนี้เป็นธรรมอันเลวเป็นธรรมอันเลวเป็นของผู้ทุชนเป็นของผู้ครองเรือนอันนี้ท่านพูดกับนักบวชท่า น, นก็พูดอย่างนี้ แต่ถ้าพวกเราเป็นผู้คลองเรือนอยู่แล้วก็ถ้ามันปล่อยไปตามกิเลสมันก็ชักใจให้ตกต่ำใจมันตกต่ำหมักหมมมืดมัวไปด้วยกิเลสตัณหาก็คือมันจะพาไปไปดูไปกินไปเสพสนองตัณหาอย่างเดียวถ้าเราไม่รู้ทันมันก็อาจจะพาให้เราสแสวงหา กามทั้งหลายด้วยวิธีที่ผิดผิดนะหรืออย่างน้อยมันก็ทำให้จิตใจหมกมุ่นในสิ่งนั้นนะอีกอย่างหนึ่งคืออัตตกิระมะถานุโยกอัตตกิระมัานุโยกก็คือทำตัวให้ลำบากเปล่าทรมานตัวเองในสมัยนั้นที่เห็นชัดๆก็คือรัตติที่เขาทรมานตัวเองด้วยการไม่นุ่งผ้า ไปยืนอยู่กลางแดดหรือไปนั่งกลางแดดแล้วก่อไฟล้อมล้อมตัวอยวนี้ก็ยังมีนะเคยเห็นัหม ร, รูปที่อินเดียหรือสีหรือนักพรตของเขาเนี่ยก็จะมีวิธีบำเพ็ญตะบะเขาเรียกตะบะบแต่ตะบะเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องทรมานตัวเองลำบากเปล่าพาให้เกิดทุกข์กับตัวเองแล้วไม่พ้นทุกข์ ในขณะปฏิบัติแล้วยังไม่พ้นทุกด้วยเป็นทางแห่งความทุกข์ตลอดสายพระองค์บอกว่าถ้าจะไปสู่ทางพ้นทุกเนี่ยคือทางสายกลางเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา mm hmm. เคยได้ยินไหมมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาก็คือกลางปฏิปทาคือทางทางดำเนินทางดําเนินทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทา ก็คือเรื่องมักมีองแปดต้องพูดใด้ครบนะไม่ใช่มั๊กแปดนะมักมีองแปดคนคนเราบางทีพูดสั้นแล้วทำให้เข้าใจผิดถ้าบอกว่ามั๊กแปดเดี๋ยวจะนึกว่ามีทาง8ทางแต่จริงๆแล้วทางเดียวทางเดียวแต่มีองค์ประกอบนะอยู่8อย่างจึงเรียกว่ามักมีองแปดก็มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากรมันตะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิครบไหมนับเลยนะคือสัมมาทั้งหลายเนี่ยแปลว่าชอบเปาชอบแต่ชอบในที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไล์ <c oughs> ไปกดไลฟ์ไม่ใช่นะ <c oughs> ชอบหมายถึงว่ามันถูกทางมันถูกชอบหมายถึงถูก มีคนสมัยทำงานนะมีคนคนหนึ่งทำงานอยู่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งหัวหน้าคือผู้จัดการใหญ่เนะี่ยดุมากคนเก่าเนี่ยเป็นอดีตนายทหารดุมากลูกน้องกลัวก็โทรศัพท์มาเอิญคนเนี้ยชื่อชอบ <c oughs> เป็นคนขับรถแล้วจะอยู่ตรงมันนั่งตรงแผนกข่าวพอดีโทรมาในชอบนี่ก็รับผู้จัดการใหญ่ก็ถามใครพูดอนะผมชอบพูดครับกูไม่สนใจว่ามึงชอบพูดหรือไม่ชอบพูดมึงอะใครเ <c oughs> จ้นานายนี่แบบดุมากนะเรียกเรียกกูกูมึงมงนะนักเลงมึงอะใครไอ้ น, นั่นเหี่ยวไปหน่อยนะผมชอบพูดครับ <c oughs> น่าสงสารนะตีความกันคนละแบบชอบในที่นี้หมายถึงชื่อเขาด้วยนะมันไม่ใช่สัมมากว่าจะรู้ว่าเออเรามีลูกน้องชื่อชอบก็ดุไปแล้วหลายทีสัมมาที่ว่าเป็นสัมมาอยู่แดอย่างเนี่ยก็คือทางที่ชอบคือทางที่ถูกทางที่ถูกคือคิดถูกดำริถูกพูดถูก พูดถูกเนี่ยคือเว้นการพูดที่ผิดนะแล้วพูดอะไรก็ได้หรือจะไม่พูดก็ได้จะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ถือว่าเป็นพูดทั้งหมดถ้ามันเป็นการสื่อสารเดี๋ยวนี้กดๆ ก, ด ก, ดก็ถือว่ามีวาจานะกดๆแชทใครเล่นบางจิ้มจิ้มิจิ้ม ม, ม, มันก็มีการสื่อสาร ส่งสติ๊กเกอร์ก็สื่อสารใช่ไหมใครเล่นบ้าง <c oughs> เล่นไลน์ไหมเนี่ย <c oughs> ส่งสติ๊กเกอร์ <c oughs> แล้วส่งอะไรก็ได้ที่มันเป็นการสื่อสาร <c oughs> ถ้ามันตั้งใจโกหกศารที่ส่งไปนั้นก็คือเป็นการส่งแบบมุสา <c oughs> มุสาวาดดังนั้นระวังแล้วมันมีอุปกรณ์ ที่ดีทำให้สื่อสารกันได้ทุกที่สื่อสารได้ทุกที่สื่อสารกับคนไกลจนลืมคนใกล้นั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันต่างคนต่างจิ้มไม่มองหน้ากันเลยเคยเห็นไหมเห็นแล้วน่าสงสารอุปกรณ์ทันสมัยแต่มารยาทล้าหลัง เอาเข้าเรื่องใหม่ท่านพูดถึงเรื่องทางที่ผิดสองทางแล้วก็ทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยคิดถูกดำริถูกพูดถูกทำการงานถูกเลี้ยงชีพให้ถูกเลี้ยงชีพให้ถูกก็คือเลี้ยงชีพที่มันไม่ผิดตรงนี้เนี่ยก็คือ อาชีพอะไรที่มันเรียกว่าเป็นสัมมาชีพบางคนบอกว่าขอแค่ไม่ผิดกฎหมายก็โอเคไม่โอเคยังไม่โอเคกฎหมายบ้านเมืองยังไม่ครอบคลุมพอที่จะบอกว่าแค่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสัมมาชีพนะขายเหล้าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดเนาะขายบุหรี่ผิดกฎหมายไม่ผิดขายยาฆ่ า, มาแมลง ขายปืนถูกกฎหมายทั้งนั้นเลยแต่ผู้เจ้าบอกว่าพวกนี้เป็นมิจฉาวนันทิชาถ้าใช้อาชีพค้าอาวุธค้ายาพิษค้าชีวิตสัตว์ฆ่าสัตว์เพื่อขายขายคนสมัยก่อนมีขายคนด้วยค้าทาตเดี๋ยวนี้ก็ค้ารูปแบบ เลยเขาเรียกว่าตกเขียวค้าคนแทนที่จะมาใช้งานด้านแรงงานเอามาใช้งานด้านอื่นก็คือค้าคนนั่นแหละก็เป็นหมดพวกนี้เป็นมิจฉาบณิจชาค้ากามค้าประเวณีพวกนี้ไม่ใช่สัมมาชีพถ้าทำอยู่ควรเลี่ยงหรือถ้าจะไปซื้อบริการก็ควร ไม่ควรใช่พอไปไปสนับสนุนอาชีพที่ไม่ดีแล้วเราเองก็ตกอยู่ในอบายามุขดังนั้นสัมมาชีพเนี่ยจะยึดแค่ว่าไม่ผิดกฎหมายไม่พอต้องดูว่าอาชีพที่เราทำในการดำเนินชีวิตนั้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมคุณภาพจิตส่งเสริมสังคมไหมถ้าอาชีพที่เราทำอยู่เนี่ย ทำร้ายสังคมทำร้ายจิตใจคนไม่ควรทำทำให้จิตใจตกต่ำหมกมุ่นอยู่ในอบายามุข ก, ก็ไม่ควรทำสั ม, ม, าาา ม, ส ม, มาวายามะสัมาวายามะเนี่ยคำมันใกล้เคียงกับสัมมาวาจาแต่ความหมายคนละแบบวายามะแปลว่าความเพียรความเพียรไม่ใช่ฉันจะเดินตลอดหรือนั่งนาน ถ้าดูคำแปลหรือดูความหมายของสัมมาวายามะแล้วเราจะเข้าใจแง่มุมของการปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้นท่านบอกว่าที่ว่ามีความเพียรชอบคือเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เคยมีให้มีขึ้นเพียรรักษากุศลที่ทำแล้วอย่าให้มันหายไป เพียรระวังอากุศลที่ยังไม่เคยทำอย่าทำ <laughs> เพียรละอากุศลที่มีอยู่ให้มันหมดไปนี่คือความเพียร <laughs> คุณจะเดินจะนั่งจะนอนท่าไหนก็ได้ <c ười> ท่าไหนก็ได้ถ้ายังมีตัวระวังตัวละตัวหมั่นสร้างและตัวคอยรักษาเหล่านี้เอาไว้ มันสร้างกุศลรักษากุศลที่สร้างแล้วละอากุศลที่มีอยู่ระวังอกุศลทั้งหลายที่ใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำอย่าทำถ้าไหนก็ได้ถ้ามีอยู่สข้อนี้ถือว่ามีความเพียรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเดินแว่งแขนก็ได้ไม่ต้องมาเกาะกลุ่มสองมือแต่ถ้าเกาะกลุ่มสองมือแล้วมีสตัวนี้ ก็ทำนะมันไม่ใช่ว่าปฏิเสธท่านี้ด้วยนะจะนั่งขัดสมาธิจะนั่งเอามือซ้อนกันท่าไหนได้ทั้งนั้นขอให้จิตมันตรงก็เรียกว่ามีจิตที่ถูกทางมีความเพียรที่ตรงความเพียรที่ชอบมีสัมมาสติสัมมาสติเราคงจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคือสติปัฏฐานสี่ใครมาที่นี่ก็ที่นี่ ขึ้นโลโก้ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ที่มาเรียนเรื่องสตินะถ้ามาที่นี่แล้วยังไม่รู้จักสติปฐานสีเนี่ยก็มาอีกมาบ่อยๆสติปฐานสี่นะคือฐานที่ฐานที่ตั้งของสติมีอยู่สี่อย่างนะใครเคยฟังก็ฟังซ้ำนะมีสติมารู้กายรู้อะไรอีกเวทนา รู้จิตรู้ธรรมสี่อย่างนะกายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานที่ตั้งให้สติไประลึกสติแปลว่าระลึกได้ระลึกได้ถ้าระลึกไม่ได้แสดงว่าขาดสตินะในที่นี้นะหมายถึงสติปัฐานสี่เพื่อพ้นทุกข์เพราะว่าเป็นสติในองค์มรรคนะไม่ใช่สติเพื่ออยู่กับโลก ถ้าเรานั่งอยู่แล้วรู้ว่าชั้นกําลังนั่งอยู่ตรงเข้าข้อไหนไหมไม่ตรงนะเพราะว่าเห็นกายนั่งจึงจะเรียกว่าเห็นกายแต่เห็นชั้นนั่งไม่มีในนี้ไม่มีไม่มีสติระลึกรู้ชั้นไม่มี <c oughs> มีไหมไม่มีนะเห็นชั้นนั่งไม่มีชั้นกําลังขับรถไม่มีมึงด่ากูกูจะด่ามึงต่อ ไม่มีเลยเหล่านี้เป็นชีวิตของเราเป็นปกติใช่ไหมมันก็เลยขาดสติเราจรึงต้องมาฝึกสติมาเรียนรู้ว่าสติแท้ๆที่จะพาไปสู่ความพ้นทุกขนะ์น่ะท่านให้ระลึกอะไรระลึกกายกายคืออะไรกายคือเนี้ยกองแห่งรูปดูกายไปนานๆเนี่ยมันจะเข้าใจชัดว่ากายนี้มัน ประกอบด้วยธาตุสี่รู้จักาธาตุสี่ไหมดินน้ําลมไฟจะเรียงไงก็ได้ดินน้ําไฟลมก็ได้เรียงไงก็ได้มันให้ได้สี่ก็แล้วกันกายนี้เป็นาธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟสติระลึกทีแรกก็อาจจะเห็นเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มีคําว่าเราในขณะนั้นที่ระลึกได้เห็นเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งนั่งอยู่เนี้ยนั่งอยู่เนี้ย นั่งดูเหมือนนิ่งๆแต่ว่ามันกระเพื่อมมีการเคลื่อนไหวบางคนพยักหน้าบางคนเกามีการเคลื่อนไหวกายบางคนก็นั่งนิ่งบางคนก็มีการขยับแต่นิ่งนั้นไม่นิ่งจริงลองดูดีๆว่ามันกระเพื่อมไปตามลมหายใจตอนหายใจเข้าก็กระพองขึ้นมาหายใจออกก็แฟบลงไปจะเรียกยุบก็ได้ เรียกพองแฟบก็ได้พองยุบก็ได้แล้วแต่กายนี้มันเป็นอย่างนี้เวลาเห็นกายท่านจึงเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นกายในกายแปลว่าเห็นที่ไรก็เป็นกายไม่เห็นกูในกายไม่จะเห็นกูเห็นกายในกายจะเห็นจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เวลาเห็นลมลมก็เป็นส่วนหนึ่งของกาย เห็นเล็บเล็บก oh. like ็เป็นส่วนหนึ่งของกายเห็นพุงที่มันกระเพื่อมกระเพื่อมหรือมันเป็นลอนลอนแล้วแต่พุงใครเห็นพุงพุงก็คือกายบางคนซิกแพกใช่ไหมบางคนแพกเดียวรวมกันเลยบางคนเป็นลอนแพกแนวขวางก็เห็นตามจริงเห็นอย่างนั้นเห็นกายรูปร่างอย่างนั้นไม่มีกู แต่ถ้าเห็นแล้วมันโอ้กูต้องไปลดน้ำหนักกูจะต้องไปทำอะไรเข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นความคิดมันไม่ใจะเห็นกายแท้ๆมันมีความเป็นกูผลเข้าไปเห็นปุ๊บก็มีความคิดตามมาอีกปรุงแต่งความปรุงแต่งตัวนั้นเรียกว่าสังขารสังขาร น, นี่ไม่ใช่ร่างกายแล้วนะเป็นสังขารในขันห้า ความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยถ้าเราเห็นก็เรียกว่าเห็นจิตเห็นจิตนั้นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมถ้าเห็นจิตใช้ได้เห็นกายก็ใช้ได้เห็นเวทนาก็ใช้ได้เวทนาคือเวลามีความเจ็บปวดมีความทุกข์ทางกายมีความทุกข์ทางใจก็เห็นมันเป็นเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่ว่า มาตบกูทำไมกูเจ็บนะอย่างนี้คือไม่เห็นเวทนาในเวทนาแต่เห็นเพราะว่ากูกับเวทนาอยู่ด้วยกันมันไม่แยกนะหรือเห็นเวทนาในกูหรือเห็นว่าเวทนานี่ของกูหรือมันมาจากว่าแก้มกูถูกตบแล้วมึงมาทำกูแล้วกูเจ็บอย่างนี้ตลอดขั้นตอนมาตลอดกระบวนการมนันนี่ไม่เกิดสติเลย แต่ถ้าเห็นว่ามีความเจ็บปรากฏขึ้นในกายถ้าเห็นเวทนาก็รู้ว่ามีเวทนาอยู่อย่างนี้เรียกว่าเกิดสติขึ้นในขณะนั้นโกรธอย่ามาด่าฉันนะอย่ามาอยู่ตรงนี้อีกนะอย่ามาพูดต่อนะฉันโกรธนะเอยปากมาอีกคำเดียวมีการโต้อตอบแล้วนะกูโกรธนะฉันโกรธนะดิฉันตอนนั้นคงไม่คิดว่าดิฉันหรอกนะ กระผมโกรธนะคงไม่ถึงขนาดนั้นใช่มมันคงไม่เรียบร้อยขนาดนั้นนะจะอาจจะเป็นกูโกรธ ถ, ถ้ายังมีกูอยู่ขณะนั้นยังไม่ใช่เกิดสติที่เรียกว่าสติปัฐานมันอาจจะแค่สติที่อยู่กับโลกเดินอยู่แล้วไม่ตกท่อขับรถอยู่แล้วไม่ชนกันนี่เรียกว่าสติเพื่ออยู่กับโลกแต่สติปัฐานเวลาเห็นจิตจริง เห็นกายจริงๆเห็นเวทนาจริงๆมันเห็นกายในกายไม่เห็นกูเห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่กูเจ็บไม่ใช่กูปวดไม่ใช่กูทุกข์ไม่ใช่กูสุขเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตเห็นยังไงเห็นว่าจิตนี้มีอะไรเข้ามาปนส่วนใหญ่เวลาเราระลึกได้เราจะระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ปนอยู่ในจิต ทำไมจึงเ ล, ลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ปนอยู่ในจิตเพราะว่าโดยปกติแล้วเรามักจะมีสิ่งที่ไม่ดีปนอยู่นานๆจึงจะมีสิ่งที่ดีๆมาปนนะลองสังเกตดูว่าจิตเราเนี่ยมีกุศลหรืออกุศลมากในแต่ละวันจิตเรามีความหลงไม่ความเผลอความเผลอนี่เรียกว่าแทบจะคลองอยู่ตลอดเวลาเลยหลงไปแล้วถ้าหลงไปในสิ่งที่น่าพอใจมันมีกิเลสตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าเกิดราคะ เห็น hmm. แล้ว <S <S เห็นหน้าสาวๆและชอบเ ja ห็นหน้าดาราและชอบเกิดราคะราคะเนี่ยตั้งแต่มันพอใจอยากดูอีกโอ้เห็นดาราคนนี้คุณชายหน้าเกลี้ยงเกลาล่อเลาอยากดูอีกเห็นหน้าเจ้าหญิงองค์นี้อยากดูอีกอย่างงี้นะแค่อยากดูอีกก็คือเกิดราคะแหละมันมีความพอใจ มีความพอใจมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องของเพศแบบจะต้องมามีเพศสัมพันธ์กันอย่างเดียวแค่มีความพอใจนั่นแหละก็เรียกว่าราคะเกิดขึ้นในใจแล้วถ้ามีราคะเห็นดาราคนนี้แล้วอยากดูอีกใจก็เห็นแต่หน้าดาราคนนั้น<ฮ>ขณะนั้นไม่เกิดสติโอหน้ารักจริงๆล้อหรอ<ฮ>ขณะนั้นก็ยังไม่เกิดสติ อยากเห็นอีกเขามีเขามีอีเวนท์ที่ไหนบ้างนะเลยท่านจะตามไปดูขณะนั้นก็ยังไม่เกิดสติแต่ถ้ารู้มาสักขณะหนึ่งว่าเมื่อกี้นี้ใจท่านผิดปกติแล้วนะใจเมื่อกี้นี้มีราคะเกิดขึ้นขณะที่มีสตินั้นไม่ได้ไปไคิดถึงหน้าดาราคนนั้นไม่ได้คิดถึงสถานที่ที่จะไปแต่คิดถึงว่าจิตเมื่อกี้นี้ มีราคะปนอยู่คําอาจจะไม่ใช่ว่าราคะผุดขึ้นมานะแต่ว่ามันมีอาการอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในจิตอาจจะไม่มีชื่อเรียกในขณะนั้นก็ได้คือเราไม่เรียกชื่อในขณะนั้นพอมีความรู้สึกรู้สึกตัวขึ้นมามีความรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นขณะนั้นเนี่ยเรียกว่ามีสติพอมีสติแล้วอาจจะมีบรรยายตามหลังว่า เมื่อกี้นี่เรามีราคะไอตอนบรรยายเนี่ยนะไม่ใช่สติแล้วนะก็เรียกว่ามีการทบทวนว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมีการบอกตัวเองว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบรรยายเป็นคำพูดขณะนั้นห้ามไม่ได้ช่างมันปล่อยไปก่อนแต่ให้รู้ว่าขณะที่มีสติจริงคือตอนรู้นั่นแหละตอนรู้ว่ามันไม่บรรยายบรรยายไม่ทันเพราะจิตเกิดดับเป็นขณะ เร็วมากขณะที่หลงไปนะขณะที่หลงไปเนะี่ยจิตไปรู้อย่างอื่นแล้วก็ดับขณะที่มีสติมันรู้จิตเมื่อกี้นี้แล้วมันก็ดับแล้วจิตต่อมาจึงจะบรรยายว่าไ อ, อ, อ, อ้จิตเมื่อกี้เนะี่ยมันคืออะไรอย่างนี้นะให้เข้าใจว่าจิตมันเกิดดับอย่างนี้ถ้าไม่มีสติเลยเนะี่ยจะไม่รู้เลยว่าจิตมันเกิดดับ ถ้าไม่มีสติเลยเนี่ยมันหลงเ ด, ดหเดี๋ยวก็ดูนู่นเดี๋ยวก็ดูนี่เวลานึกถึงความคิดมันก็ย้อนไปหาอดีตก็คือมองออกไปส่งออกส่งไปเรื่อยความรู้สึกจึงเหมือนว่าจิตนี้เคลื่อนไปเคลื่อนมาดวงเดียวไม่เคยดับเลยเดี๋ยวก็รูนู่นเดี๋ยวก็รู้นี่เดี๋ยวก็รู้นู่นเดี๋ยวรู้นี่วนความรู้สึกเป็นอย่างไงไนมเราจึงรู้สึกว่าถ้าตายแล้วจิตดวงนี้มันจะลอยออกไป แล้วก็ไปสิงร่างคนร่างใหม่นะเพราจรึงเรียกว่าวิญญาณเราจรึงเข้าใจคําว่าวิญญาณว่าเป็นผีมันเป็นดวงอะไรสักดวงหนึ่งลอยออกไปแต่ถ้าเรามาเจริญสติเราจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วจิตนี้เกิดดับแรกๆเนี่ยมันจะไม่เห็นชัดเจนว่ามันเกิดดับทีละดวงทีละดวงนี้มันจะเห็นว่าเมื่อกี้เผลอไป เผลอไปมีราคะหรือเผลอไปมีโทสะแล้วมันถูกตัดไปด้วยจิตขณะหนึ่งที่เรียกว่าจิตที่มีสติเนี่ยเห็นว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นอสติเนี่ยทําหน้าที่ตัดความหลงไปขณะหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้มีตลอดนะเพราะจิตเกิดดับจิตที่มีสติรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ก็ดับลงไปแล้วหลงต่อเป็นงั้นไหมเป็นอย่างนั้นแหละ ธรรมดานะธรรมดาแต่ไอ้ขณะที่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยที่ว่ามีสติเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลตรงที่ว่าตัดความรู้สึกว่าจิตนี้มันเที่ยงออกไปเห็นว่าจิตที่หลงไปก็ดับและมีสติขึ้นมาแล้วสติก็ดับและหลงใหม่แต่มันมีสติครั้งเดียวเนี่ยมันยังไม่สรุปเป็นปัญญาต้องมีบ่อยๆ มีบ่อยๆเรามีบ่อยๆล้วคนจะมีสติรู้อะไรบ่อยๆจะรู้บุญกุศลหรือจะรู้อะไรพระเจ้าให้เรารู้สิ่งที่เราเกิดขึ้นบ่อยๆในจิตเราแท้ๆไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องปั้นแต่งว่าฉันเป็นคนดีแล้วจะดูแต่ของดีดูไปตามจริงว่าจิตเรานะ่มันเป็นอะไรมีอะไรปนอยู่ในใอยู่ในจิต คนที่มีราคะมากมักจะเห็นอะไรแล้วก็ชอบใจมีบุญนะคนประเภทนี้มีบุญเห็นคนนี้ก็สวยคนนี้ก็ส่วนใหญ่เวลาเห็นสวยแล้วไม่ค่อยเห็นคนอื่นหลอจะเห็นสวยเออคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยก็คนนั้นก็เท่ดีเก๋คนนี้ก็ดูดีเห็นใครก็มีราคะไปหมดเลยเหมือนมีบุญว่าเห็นของสวยงาม แต่มีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสตัวนี้นเรียกว่าราคะส่วนคนขี้โกรธเห็นแล้วก็หมั่นไส่อ๋อเย็นนี่หน้าตาดูสิมันดูเก๊กมากเลยหน้าหมั่นไส้ตอนนั้นก็ดูสิแซ้งทำแกล้งหน้าหมันไส้ตอนนั้นก็ดูสิยิ้มเสยะเสยะโอ้ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้นะคนขี้โกรธจะมองอะไรแล้วก็ไม่ชอบไม่พอใจนะส่วนคนเออเออ ใจลอยก็เยอะนะไม่รู้สึกตัวคนที่เห็นอะไรแล้วก็พอใจบ่อยๆดูราคะบ่อยๆเพราะมันเกิดขึ้นจริงราคะเกิดขึ้นจริงไม่ต้องไปทิเสษมฉันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนโดยเฉพาะคนนักปฏิบัตินะจะไม่ชอบให้คนอื่นมองตัวเองว่าเป็นคนราคะจัด เห็นคนอื่นให้คนอื่นมองเราเป็นคนขี้โกรธยังรู้สึกภูมิใจกว่ารู้สึกงั้นไหมถ้าคนนี้ราคะมากมันดูไม่ค่อยมีฟอร์มของนักปฏิบัติไม่มีนะนักปฏิบัติจะยอมรับความจริงว่าราคะเกิดขึ้นบ่อยก็รู้โทสะเกิดขึ้นบ่อยก็รู้เออเมอรลอยเกิดขึ้นบ่อยก็รู้ไม่ต้องวางฟอร์ม แตว่วางกิริยาให้เรียบร้อยไม่ใช่วางฟอร์มในในใจไม่ต้องปั้นแต่งอะไรขึ้นมาในใจหลอกตัวเองแต่อยู่กับสังคมต้องเรียบร้อยไม่เหมือนกันนะก็เรียกว่าทาในแง่ของจริยธรรมกับทาในแง่ของปฏิบัติในใจต้องแยกออกจากกันไม่ใช่ฉันก็ขี้โกรธฉันก็เลยวางฟอร์มตามปกติให้เห็นเลยว่ากูนี่แหละ นักเลงลูกตีใหญ่เลยอะไรเยไม่ใช่นะเวลามีอยู่ร่วมกันกับคนให้ถือธรรมในข้อจริยธรรมไม่แสดงออกทางกายวาจาไปเบียดเบียนกันแต่ถ้าในใจแล้วไม่หลอกตัวเองรู้ไปตามจริงกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ไปตามจริง ทำไมต้องบอกว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปุตตชนผู้เริ่มต้นฝึกมักจะมีกิเลสมากนะมักจะมีกิเลสมากยากเหลือเกินที่แบบว่ามีเมตามตาเมตตาทั้งวันยากใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วไอ้เมตตาทั้งวันเนี่ยเป็นการสร้างกรูบาจายเรียกว่าหมูกระดาษพอก ถ้าเป็นใบหน้าก็คือโปะแป้งเยอะๆถ้าเป็นจิตก็คือว่าโปะโ ป, ะ, โปะสิ่งดีๆหลอกตัวเองแต่จิตเนี่ยวเวลาโปะเนี่ยมันไม่ได้โปะจากข้างนอนโปะจากข้างในไปนะโปะสัญนาเลยดังนั้นให้รู้ตัวให้รู้ทันรู้ทันว่าเรากำลังหลอกตัวเองอยู่ให้รู้ตามจริงกิเลสคือราคะเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าเมื่อกี้นี้มีราคะเกิดขึ้น โศกเกิดขึ้นให้รู้ทันทันทีว่าเมื่อกี้นี้โทศะเกิดขึ้นต้องรู้แบบทันทีไม่ใช่รู้ว่าเมื่อเช้านี้มีรถปาดหน้าเราเราโกรธนานไปเพราะอะไรเพราะในขณะที่บอกว่าเมื่อเช้านี้มีรถปาดหน้าเราและเราไม่ชอบมันเป็นอดีตมันเป็นอดีตมันต้องเป็นปัจจุบันเวลามีสตินะคือมีสติรู้ปัจจุบัน แต่ปัจจุบันในการดูจิตเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจุบันแบบเป๊ะๆของมันเพราะปัจจุบันขณะแท้ๆเนี่ยมันหลงไปแล้วมันไปดูหน้าคนนี้แล้วก็ไม่ชอบใจไปแล้วไปดูหน้าคนนี้แล้วก็มีราคาไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ที่มันหลงอยู่เนี่ยมันขาดสติไปแล้วแต่นับว่าเป็นโอกาสดีเหลือเกินที่จิตเกิดดับทุกขณะ เป็นโอกาสดีมากสําหรับพวกเราทั้งหลายรวมทั้งสัตว์โลกทั้งหลายคือจิตไม่เที่ยงจิตไม่เป็นอมตะจิตมีการเกิดดับทุกๆขณะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหลงเกิดโทสะแล้วโดยธรรมชาติก็มันเองก็ดับแล้วจิตดวงใหม่ขึ้นมาถ้าเราได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เหลียวมาดู เหลียวมาดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตดวงเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรมาขั้นเลยจิตเมื่อกี้นี้เพิ่งมีโทสะแล้วดับไปจิตดวงใหม่หันมาดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตแล้วไม่ทันพูดอะไรเลยมันก็ดับไอตอนนี้มันเลยได้แค่ดูแล้วก็ดับไม่มีเวลาจิตดวงนี้ไม่มีเวลาที่จะบรรยายว่าเออเมื่อกี้จิตมันมีราคะนะเมื่อกี้มีจิตมันมีโทสะนะบรรยายไม่ทัน ดับไปแล้วจิตดวงหม่จึงมาหันมาดูอ๋อเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใช้เวลาอีกหลายขณะกว่าจะบรรยายจบเข้าใจไหมเพราะจิตเกิดดับมันจึงเห็นได้ว่าจิตเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นถ้าจิตเป็นอมะตะจิตเป็นสภาพรู้อารมณ์นะอารมณ์หมายในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตถ้าจิตเป็นอมะตะ คล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับบอกไฟฉายกระบอกไฟฉายก็ฉายฉายไปเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนู่นเห็นนี่ฉายไปฉายมาไม่เห็นกระบอกตัวเองจะหมุนม้วนยังไงก็สองข้างหลังก็เห็นข้างหลังสองข้างหน้าเห็นข้างหน้าสองบนเห็นข้างบนสองข้างล่างเห็นข้างล่างแต่ไม่เห็นตัวเองคือตัวกระบอกเองต้องอาศัยอีกกระบอกหนึ่งจะมาส่องจึงจะเห็นแต่จิตไม่ใช่กระบอกไฟฉายนะ จิตมีสภาพรู้อารมณ์แล้วดับเกิดจิตดวงใหม่รู้อารมณ์แล้วดับถ้ามันรู้ข้างนอกอย่างเดียวมันก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดว่าจิตนี้ต่อเนื่องยาวนานเป็นอมตะแต่โชคดีเหลือเกินจะไม่โชคดีเป็นธรรมชาติของเราเนี่แหละธรรมชาติของจิตว่ามันเกิดและมันดับมันจึงรู้จิตเมื่อกี้นี้ได้ เข้าใจไหมจิตเมื่อกี้เกิดขึ้นมาแล้วหลงไปแล้วจิตขณะ น, นี้จึงเห็นว่าจิตเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นได้แต่ต้องเป็นจิตที่แบบว่าเพิ่งดับเมื่อกี้นี้นะถ้าเมื่อห้านาทีที่แล้วก็ยังไม่ใช่เมื่อเช้านี้ไม่ใช่ยิ่งเมื่อเมื่อวานนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ใหญ่เลยเป็นการคิดนึกถึงอดีตจิตอนาคตได้ไหม มันยังไม่เกิดอ่ะจะรู้ได้ยังไงแท้ที่จริงเวลาพูดถึงอนาคตมันเป็นความคิดคิดถึงอนาคตอดีตก็คิดถึงอดีตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรู้ได้คือเผลอคิดไปเผลอคิดถึงอดีตเผลอคิดถึงอนาคตอย่างนี้นะเรียกว่าทําอย่างนี้เรียกว่ากําลังเจริญสติรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเรามี จริตแบบไหนขี้โกรธขี้มีระขี้ราคะไม่ค่อยพูดถึงนะแปลกเหมือนกันนะเขาจะพูดมันแบบเป็นแบบคําอะไรเวลามีราคาในคนไทยจะพูดว่าอะไรมีขี้ไหมขี้หลีดูมันไม่ก่อเพาะเท่าไหร่นะขี้โกรธได้ะคนขี้โกรธขี้โลภมีขี้หลงราคาเนี่ก็ว่าเป็นราคาไปเลย ใครมีราคะเกิดบ่อยดูไปเลยนะดูไปเลยดูไปตามจริงใครมีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยคนขี้โกรธคนขี้โกรธเนี่ยนะจะมักจะมักจะนะเป็นคนเรียบร้อยแปลกหัหยคนขี้โกรธมักจะเรียบร้อยระเบียบดีระเบียบดีเลยเป็นเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบก็เลยเห็นคนอื่นไม่มีระเบียบเลยไม่ชอบ มีระเบียบน่าดีแล้วแต่เห็นคนอื่นไม่มีระเบียบแล้วเราไม่ชอบให้รู้ทันความไม่ชอบเข้าใจไหมแล้วค่อยๆเจริญเมตตาหรือจเจริญกรุณาสอนเขาสอนเขานะให้เขามีระเบียบต่อนะอย่างนี้นะส่วนคนที่เห็นอะไรก็รักไปหมดเห็นอะไรก็ชอบไปหมดให้รู้ทันจิตที่มันมีราคะเกิดขึ้น อย่าทำเป็นคนหลายใจให้รู้ทันว่าจิตนี้มันเมื่อกี้นี้มีราคะเกิดขึ้นพอรู้ทันราคะราคะก็ดับเพราะราคะนั้นดับไปพร้อมจิตไปแล้วจิตดวงใหม่มีสติเกิดขึ้นมาตัดราคะนั้นเมื่อกี้นี้ไปแล้วพอมีสติสติจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นถ้าเราเห็นสภาวะที่เราถนัด เห็นสภาวะที่มีโทสะปนอยู่ในจิตเห็นแล้วเราจำได้ว่าเมื่อกี้นี้จิตที่มีราคะหรือจิตที่มีโทสะมันอย่างนี้เป็นสภาพนี้คือมันไม่ชอบพอมันมีโทสะเกิดขึ้นใหม่จะรู้ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นไม่ปล่อยให้โทสะนั้นเพ่นพ่านอยู่ในใจนานเหมือนกับเวลาเรารู้จักเพื่อน ครบกันใหม่ๆเวลาเข้ากิจกรรมเลยนะจะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรสลายอะไรนะอะไรนะ ส, สลายพฤติกรรมอมืละลายพฤติกรรมใช่ไหมก็คือคนมันเจอกันมาใหม่ๆเนี่ยจะมีมีการตั้งกำแพงป้องกันตัวเองเอาไว้ว่าฉันไม่เคยรู้จักเธอฉันไม่เคยรู้จักเธอจะป้องกันตัวเองเอาไว้ ก็กละลายพฤติกรรมด้วยการทำความรู้จักกันคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเราเห็นแล้วครั้งแรกเราก็จำไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆเรียกชื่อกันบ่อยๆจริงจะพอจำได้ว่าอ้อคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้เห็นบ่อยดูบ่อยได้ยินเสียงเขาบ่อยๆรู้จักจำได้สองวันเจอกันอีกก็ยังจำได้แต่ถ้าเจอกันวันนี้ ปีหน้าเจออีกทีบางทีลืมไปแล้วนะลืมบางคนเนี่ยอยู่กับเมียรแรกๆก็ต้องรักนะจึงจะแต่งงานกันใช่ไหมอยู่ไปอยู่มาเนี่ยก็ชักเบื่อเบื่อเนี่ยก็เลยไม่อยากนึกถึงเลยไม่อยากนึกถึงจนกระทั่งเพื่อนมาทักโอ้โหทำไมคุณชีวิตแต่งงานคนจังหวานชื่นทำไมเข้าใจขนาดนั้นเพราะว่า ตั้งแต่เขารู้สึกเบื่อเมียเนี่ยเขาไม่อยากเรียกชื่อเมียเลยเขาเรียกดาริ <laughs> <aring> ่งดาริ่งแล้วก็เรียกอย่างนี้มาตลอดจนลืมไปแล้วว่าจริ ง, รงๆแล้วเมียชื่ออะไร <laughs> <laughs> ใครถูกเรียกงนี้บ้างดาริ่งเพื่อนมาได้ยินโอ้โหชีวิตคุณคงจะดีมากเลยนะครอบครัวคงจะหวานชื่นทำไมล่ะ ก็คุณเรียกภรรยาคุณว่าดาริ่งทุกครั้งเลยอ๋อฉันลืมชื่อไปตั้งแต่อายุห้าสิบแล้ว <laughs> <laughs> เจอบ่อยๆเจอหน้าบ่อย <laughs> เจอเพื่อนเรียกชื่อเพื่อนได้จำชื่อเพื่อนได้เรียกว่าเกิดสัญญาสัญญาที่มันแน่นแฟนก็เรียกว่าธิระสัญญาเจอหน้าเพื่อนทุกวันจําเพื่อนได้คราวนี้ แม้แต่เพื่อนเดินมาไกลๆไม่เห็นชัดเ ห, เห็นหน้าไม่ชัดเลยแต่เห็นบุคลิกก็จำได้หันหลังให้ได้ยินมันเดินมาแล้วยังจำได้เลยฝีเท้าอย่างเงี้ยไม่มีใครหรอกไอเนี้ย